สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่หกสิบสามเรื่องรางวัลและความลำบากเพียงครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบข้อยี่สิบสองจนถึงข้อยี่สิบหกนะครับสุภาษิตบทที่สิบข้อยีิบสองจนถึงข้อยี่สิบหกโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระพรของพระเจ้ากระทําให้มั่งคั่งและพระองค์ ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยคนโง่กระทำความผิดเหมือนการเล่นสนุกแต่ความประพฤติอันกรอบด้วยปัญญาเป็นความเพลิดเพลินแก่คนที่มีความเข้าใจสิ่งใดที่คนชั่วร้ายคิดกลัว <c oughs> มันก็มาถึงเขาแต่สิ่งใดที่คนชอบทำปรารถนาพระองค์จะทรงประทานให้เมื่อพายุร้ายผ่านไปแล้วคนชั่วก็ไม่มีอีกแต่คนชอบทาจะได้รับการสถาปนาไว้ เป็นนิดอย่างน้ำส้มกับฟันและควันกับตาเป็นฉันใดคนเกลียดทานกับผู้ที่ใช้เขาไปก็เป็นฉันนั้นพี่น้องครับผมจะอ่านในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของภาษาไทยนะครับสุภาษิตบทที่สิบข้อยี่สิบสองพระพรขององค์พระผู้เนเจ้านำความมั่งคั่งมาให้และไม่ได้แถมความทุกข์ร้อนมาด้วย คนโง่เพลิดเพลินกับการทำชั่วแต่ผู้ที่มีความเข้าใจเพลิดเพลินในสติปัญญาคนที่ชั่วหวาดกลัวจะมาถึงเขาส่วนคนที่ชอบทำปรารถนาจะบรรลุผลเมื่อมรสุมพัดกระหน่ำคนชั่วร้ายก็สิ้นไปแต่คนชอบทำยืนหยัดมั่นคงเป็นนิสเหมือนน้ำส้มกับฟันเหมือนควันกับตา คนเกียรติค้านก็ทําให้ผู้ที่ใช้งานเขาขัดเคืองเช่นนั้นพี่น้องครับในข้อยี่บสองนั้นพูดถึงพระพรและความมั่งคั่งซึ่งจะนําให้ชีวิตของคนที่ชอบธรรมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองครับพระพรของพระเจ้านําความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่พระเจ้าประทานนี้ไม่ได้มีความทุกข์ยากลาบากไว้ พูดง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้แถมมาไม่ได้เพิ่มมาพี่น้องครับครับเป็นความเศร้าของสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบนะครับคนที่ร้นเข้ามาคนที่ยักยอกคนที่มีเงินที่ไม่สะอาดพวกเขาจะมีความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระคำพีร์ตอนนี้พูดชัดเจนครับความโศกเศร้านะครับจะเกิดขึ้น คนที่เป็นผู้อธรรมครับเป็นผู้ที่เป็นคนโง่เพราะขาดสามัญสำนึกพระพรของพระเจ้านั้นนํามาถึงคนที่ชอบธรรมคนที่มีสติปัญญาเป็นความมัง่งคั่งครับความมัง่งคั่งที่นี่นั้นไม่ได้หมายถึงเงินทองทรัพย์สินแต่อย่างเดียว แต่เป็นความมั่งคั่งในเรื่องของความสุขกายสบายใจเป็นความมั่งคั่งในเรื่องของความชื่นชมยินดีนะครับคนที่มีความชื่นชมยินด <mm <ujin zy broken Poland> <RPG> ีเขาสบายใจครับเมื่อสบายใจร่างกายก็แข็งแรงนะครับสบายใจก็ตามมาด้วยความสบายกายคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะรู้จักรับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขาจะคิดเป็นเขาจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ตนข้ามกับคนอธรรมหรือคนชั่วร้ายที่ไม่รู้จักคิดในทางที่ดีและไม่สามารถที่จะเลือกทำในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นชีวิตของเขานั้นก็เต็มไปด้วยความทุกโศกและความเศร้าเสียใจในที่สุดเราจะมาถึงข้อยี่บสามถึงข้อยี่บห้าครับข้อยี่บสามถึงข้อยี่บห้านั้นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนชอบทํามและคนชั่วร้ายรางวัลจะเกิดขึ้นกับ คนชอบทำลำบากจะเกิดขึ้นกับคนชั่วร้ายพี่น้องครับคนชอบทำจะได้รับรางวัลมากมายนะในขณะที่คนชั่วร้ายนั้นจะรับความลาบากมากมายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนทราบครับชาวโลกก็ทราบว่าคนที่ก่อกรรมดีก็จะรับกรรมดีเป็นเรื่องตอบแทนคนที่ก่อกรรมชั่วก็รับความความชั่วกรรมชั่วเป็นเครื่องตอบแทนพี่น้องครับ คริสเตียนเล้านั้นเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมโรงใช้ความรักก่อนครับเพื่อที่จะเตือนเพื่อที่จะให้โอกาสเพื่อที่จะให้การกลับใจเกิดขึ้นเพื่อที่ให้การแก้ไขในสิ่งที่ไม่ควรไม่ดีไม่ชอบให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่ควรที่ชอบอันนี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้อันนี้เป็นพระคุณครับ แต่หลายคนก็ไม่ยอมรับพระกุณั น, นี้และพยายามที่จะดื้อดึงดื้อรัน้นและดันตุรังที่จะให้สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นและไม่ยอมแก้ไขตัวเองเพียงครับในขณะที่คนฉลาดนั้นปรารถนาปัญญาคนชั่วร้ายสนุกกับการทำบาปคิดว่าไม่เป็นไรและยังมีความเพลิดเพลินในการทำบาปแต่พระภีบอกว่าคนที่ชั่วร้ายนั้นเขาเพลิดเพลินในการทาบาปครับ คนโง่เพลิดเพลินกับการทำชั่วแต่คนที่มีความเข้าใจคนที่มีสติปัญญานั้นเขาเพลิดเพลินในสติปัญญาแสดงว่าในสติปัญญานั้นเป็นของที่ล้ําค่ามีเสน่ห์และทําให้คนที่มีความเข้าใจเกิดความเพลิดเพลินได้เกิดความคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที Geral ่ควรได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเรานะครับพี่น้องครับเราจะต้องเพลิดเพลินในความคิดที่ดี เราต้องเพิ่เพลินในคําพูดที่ดีสรรหาคําพูดที่ดีมาพูดหนุนใจซึ่งกันและกันมาพูดเสริมสร้างซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันครับเราต้องสรรหาวิธีการที่ดีในการที่เราจะปฏิบัติต่อกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะคิดดีพูดดีและทําดีและสิ่งต่างเหล่านั้นก็จะมาถึงชีวิตของพวกเรานั่นคือพระพรครับและความเพิ่มเพลิน ม, มีความสนุกสนานกับงานที่เราได้ทํากิจาการที่เราได้รับใช้พระเจ้า เพราะว่าเราสนุกเราอยากทําและนี่คือความปรารถนาที่พระเจ้าจะให้เราในขณะที่คนชั่วร้ายนั้นกลัวความหายระยะหายยานะครับแต่มันก็จะมาถึงเขาอย่างแน่นอนในขณะที่พวกเราซึ่งเป็นคนชอบธทำจะได้พระพรซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาพระพรนั้นจะมาถึงชีวิตของเราและลูกหลานของเราครับพระเจ้าทรงเป็นแหล่งทั้งสองของพายุร้ายและพระพรครับนะครับ พระเจ้าทรงเป็นแหล่งทั้งสองของพอรกับความลาบากพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นผู้พากษาที่ยุติธรรมครับพระเจ้าจะประทานรางวัล น, นะครับหรือการลงโทษกับคนที่พระเจ้าได้ตัดสินพระเจ้าจะเป็นผู้พากษาสิ่งต่างเหล่านี้ที่เราทำอยู่เพรา ะ, ะนั้นพวกเรานะครับจะต้องตระหนักถึงผลระยะ ย, ยาวมากกว่าผลระยะสั้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเขาคนขลาดกลัวคนโง่คนชั่วร้ายจะต้องยิ่งตระหนักถึงผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจะไปกันคนละที่จะอยู่กันคนละทางและจะได้กันคนละอย่างพี่น้องครับคนชั่วร้ายกลัวความหายนะแต่มันก็จะมาถึงเขาขณะที่คนชอบธําจะได้รับสิ่งปรานาคือพระพรและรางวัลพระเจ้าใช้พายุร้ายพัดคนชั่วครับและทุกอย่างของเขานั้นก็จะหมดไปนะครับ ชั่วพิบตาเดียวคนชั่วก็จะไม่มีอีกขณะที่พระเจ้าพิพากษารครับความลำบากความเข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันความทุกข์ยากความทรมานแสนสหาหัสจะเกิดขึ้นในบึงไฟนรกแต่สำหรับคนชอบธรรมอย่างเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เราจะได้รับการสถา ป, ปนาไว้เราจะมีชีวิตนิรันดร์เป็นนิดขอพี่น้องพูดพร้อมกันว่าอาเมนนะครับเราจะได้รับการสถา ป, ปนาไว้ตลอดปลอดภัยเป็นนิดพี่น้องครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้ผมขอข้อที่26นะครับเป็นข้อความที่ประชดประชันเชื่อเฉื่อยแต่เวลวอาอ่านพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับเราอาจจะไม่เก็ตเท่ากับภาษาอังกฤษครับจะไม่อินเท่ากับภาษาอังกฤ ษ, กษภาษาอังกฤษบอกว่าเลยครับภาษาอังกฤษว่า never get a lazy person to do something for you never get a lazy person to do something for you he will be as irritating as vinegar on your teeth and smoke in your eyes แปลได้ความว่าอย่าใช้ให้คนเกลียดค้านไปทำอะไรให้กับคุณเพราะว่าเขาจะสร้างความลำบากความระคายเคืองเหมือนกับน้ำส้มที่จะทำให้เราเข็ดฟันและเหมือนกับควันที่จะทำให้เราระคายเคืองลูกตาของเราคือนะครับเป็นภาพที่ประชบประชันนะครับน้ำส้ม ทำให้เราเข็ดฟันนะครับควันไฟทําให้เราทําให้ตาเราระคายเคืองเหมือนกันครับการที่ใช้คนเกียจค้านไปทําอะไรให้มันไม่สําเร็จครับและมันจะกลับมาสร้างความระคายเคืองความลําบากกับเราตลอดพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ได้รับพระพรเป็นผู้รับรางวัลครับ ด้วยการมีสติปัญญารับคำสอนมีใจปรารถนาที่จะเดินในทางของพระเจ้าซึ่งมีจุดมุ่งหมายก็คือความรอดและสันติสุขที่รอเราอยู่อาเมน